พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบมหาปรินิพานสูตรว่าด้วยมหาปรินิพานของพระพุทธเจ้าเริ่มเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้าประทับหน้าภูเขาคิดสกูดใกล้กรุงราชฤก์พระเจ้าอาชาตศัตรูกษัตริย์แควนมคธ ต, ต้องการจะตีแขว้นวัชีไว้ในอำนาจจึงส่งวัสดการพรามให้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค เล่าความให้ทรงทราบแล้วให้วัศการพราหมณ์ฟังดูว่าจะทรงพยากรณ์อย่างไรเพราะเชื่อว่าจะไม่ตรัสผิดความจริงวัศการพราหมณ์เข้าไปเฝ้ากราบทูลเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสถามพระอา น, นุ์ทีละข้อถึงธรรมะเจ็ดประการที่ชาววัชชีประพฤติกันอันจะหวังความเจริญได้โดยส่วนเดียวไม่มีเสื่อม ว่าพระอานนท์เคยได้ฟังบ้างหรือเปล่าพระานนท์ก็กราบทูลว่าเคยได้ฟังธรรมะเจ็ดประการนั้นคือชาววัชีหนึ่งจะมันประชุมกันเนืองนิด 2. จะพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทากิจของชาววัชีสจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว จะไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจะประพฤติปฏิบัติในวัชีธรรมอันเป็นของเก่า 4. จะเคารพเชื่อฟังชาววัชีผู้แก่เท่า 5. จะไม่ก้าวล่วงข่มเหงกุลสตรีคือหญิงที่มีสามีแล้วและกุลกุมารีคือหญิงสาวที่ยังไม่มีสามี 6. จะเคารพนับถือเจดีของชาววัชี ทั้งภายในและภายนอกไม่ละเลยพลีกรรมอันเป็นธรรมที่เคยให้เคยทํา7จะจัดการรักษาคุ้นกรองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ของชาววัตชีจะตั้งใจว่าพระอรหันต์ที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอให้เป็นสุขครั้นแล้วได้ตรัสแก่วัดการพราหมณ์ว่าพระองค์เคยตรัสแสดง วัชีอปริหานิยธรรมคือธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมของชาววัชีเจ็ดประการเมื่อประทับนาสารันทะเจดีวัศการพรามก็กราบทูลว่าเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็หวังความเจริญได้ไม่มีเสื่อมจะกล่าวใหญ่ถึงเจดข้อพระเจ้าอาชาศัตรูไม่ควรทำการรบกับชาววัชีเว้นไวนแ้แต่ใช้วิธียุ และทําให้แตกกันแล้วกราบทูลลากลับไปเมื่อวัศ ก, การพราหมณ์กลับไปแล้วจึงตรัสให้เรียกประชุมภิกษุที่อยู่ในกรุงราชฤท์ทั้งหมดแล้วทรงแสดงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมของภิกษุเจ็ดอย่างรวมห้าในหกอย่างหนึ่งในรวมทั้งหมดเป็นสาสิบเอ็ดข้อระหว่างที่ประทับนาเข่าคิดจกูดใกล้กรุงราชฤทนั้น ส่งแสดงเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยมากสเสด็จสวนมะม่วงหนุ่มและเมืองนาลันทาต่อจากนั้นสเสด็จสวนมะม่วงหนุ่มแสดงธรรมเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยมากแล้วสเสด็จเมืองนาลันทาพระสาริบุตรเข้าไปเฝ้ากราบทูลสรรเสริมพระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสโต้ตอบด้วย และในที่นั้นก็ทรงแสดงธรรมเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยมากสเสด็จปาตาลิคามครั้นแล้วสเสด็จสู่ปาตาลิคามอุบาสกชาวปาตาลิคามมาเฝ้ากราบทูนเชิญให้เข้าพักในที่พักทรงแสดงโทษของความวิบัติจากศีลห้าประการคือหนึ่งเสื่อมทรัพย์สอง มีกิตติศัพท์ในทางชั่ว 3. เมื่อเข้าสู่บริษัทไม่องอาจมีอาการเกอร้อเขิน 4. เป็นผู้หลงถึงแก่ความตาย 5. เมื่อตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุขติวินิบาทนรกแล้วส่งแสดงอนิสง์แห่งความสมบูรณ์ด้วยศีลห้าประการในทางตรงกันข้ามกับศีลวิบัต สำหรับคำว่าวินิบาดหมายถึงไปเกิดเป็นเวมานิกเปรตมีสุขทุกข์สลับกันคืออาจอยู่วิมานสมัยหนึ่งทนทุกข์ทรมานสมัยหนึ่งกล่าวถึงสุนีทพรามและวัสการพรามมหาอัมมาชาวมาคตมาสร้างเมืองในปาตาลิคามเพื่อป้องกันชาววัตชีชายแดนมคตกับวัตชีตรงนั้นมีแม่น้ำคงคาตั้นเป็นเขตแดนทางมคต จึงสร้างเมืองยุทธศาสตร์ไว้ที่ปาะตะลิคามและได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ชันพัตนหารณที่อยู่ของตนเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปฉันเสร็จแล้วทรงอนุมโมทนาและเสด็จเดินทางต่อไปมหาอมาท์ทั้งสองตามทรงเสด็จและตั้งชื่อประตูที่เสด็จผ่านว่าประตูโคดมตั้งชื่อท่าน้ําที่เสด็จข้ามแม่น้ําคงคาว่า ชาโคดมเสดจโกติคามและนาธิกคามเมื่อเสด็จข้าแม่ น, น้ำคงคาแล้วได้เสด็ต่อไปในแคว้นวัชีสู่โกติคามนาทีนั้นทรงแสดงธรรมเรื่องอริยสัจสี่และแสดงเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยมากต่อจากนั้นได้เสด็จไปพักหน้าโรงพักคนเดินทางทาด้วยอิฐ ในนาทิกะคามณที่นั้นทรงแสดงธรรมปรารพคำถามของพระอานุนที่ว่าผู้นั้นผู้นี้ตายไปมีคติเป็นอย่างไรโดยแสดงหลักธรรมที่ผู้ประพฤติปฏิบัติอาจพยากรณ์ตนเองได้ว่าจะพ้นคติที่ตกต่าหรือไม่และแม้ณนาทิกะคามนั้นก็ทรงแสดงเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยมาก เสด็จป่ามะม่วงของนางอัมพปาลีจากนาทิกะคามได้เสด็จไปพักณป่ามะม่วงของนางอัมพปาลีและได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายให้มีสติสำปาชัญญาและโดยเฉพาะได้แสดงการตั้งสติคือสติปัฐานสี่ประการนางอัมพาปาลีซึ่งเป็นหญิงนครโสเพนี ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาประทับณป่ามะม่วงของตนก็สั่งเตรียมยานอย่างดีเดินทางไปเฝ้าและนิมนต์พระผู้มีพระภาคไปฉันท์ที่บ้านของตนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นฝ่ายกษัตริย์ลิชวีทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาประทับณป่ามะม่วงของนางอัมพปาลีใกล้กรุงเวสาลีก็สั่งเตรียมยานอย่างดี แต่งกายงดงามออกเดินทางไปสวนทางกับยานของนางอัมาพาบปาลีถามทราบความว่านางอัมาพาปาลีนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ฉันในวันรุ่งขึ้นจึงขอร้องให้มอบให้ตนเป็นผู้ถวายอาหารแทนโดยจะให้เงินแสนหนึ่งนางอัมาพาปาลีตอบว่าแม้จะให้เมืองเวสาลีพร้อมทั้งอาหาร ก็จะไม่ยอมให้ถวายอาหารแทนตนเมื่อกษัตริย์ลิชวีไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็กราบทูล น, นิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านางอัมพาปาลีนิมนต์ไว้แล้วก็ดีดมือแสดงความเสียดายเมื่อไปฉันที่บ้านของนางอัมพาปาลีในวันรุ่งขึ้นนางอัมพาปาลี ก็ได้ถวายป่ามะม่วงแก่ภิกษุสงฆ์ณป่ามะม่วงนั้นทรงแสดงธรรมเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยมากสเสด็จจำพรรษาณเวลุวะคามต่อจากนั้นได้สเสด็จไปยังเวลุวะคามคือหมู่บ้านไม้มะตูมและตรัสอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ จำพรษารอบเมืองเวสาลีได้ตามอัธยาศัยในระหว่างพรรษาทรงประชวนแต่ทรงเห็นว่ายังไม่ได้ลาอุปถาคคือผู้รับใช้ยังไม่ได้ลาภิกษุสงฆ์ยังไม่สมควรปรินิพานจึงทรงขับไล่อาพาธด้วยความเพียรอธิษฐานชีวิตตัดสังขารคือตั้งพระอริยไถให้ดำรงชีวิตอยู่ เมื่อหายประชวนแล้วพระอา น, นุ์เข้าไปเฝ้ากราบทูลความกังวลใจที่เห็นทรงประชวนตรัสตอบว่าพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมไม่มีภายในไม่มีภายนอกไม่มีกรรมมือของอาจารย์ในธรรมทั้งหลายคือไม่ปิดบังธรรมะไม่ได้ทรงยึดถือว่าบริหารภิกษุสงฆ์และไม่ได้ทรงยึดถือว่าภิกษุสงฆ์เป็นผู้เล่าเรียนจากพระองค์ ทรงเปรียบพระองค์ซึ่งแก่เท่าล่วงวัยมีพระชนมายุถึงแปสิบปีกว่าเหมือนเกวียนเก่าที่ซ่อมด้วยไม้ไผ่ตรัสเตือนให้พึ่งตนพึ่งธรรมะและตรัสสอนสติปัฏฐานสี่ทรงปลงอายุสังขารเมื่อเสด็จพักผ่อนกลางวันนับปาวาและเจดี พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนิมิตโอภาสอันชัดเจนคือบอกใบอย่างชัดเจนแก่พระอานุนว่าผู้ใดเจริญอิทธิบาทสี่คือธรรมะที่ให้บรรลุความสำเร็จผลสี่ประการดีแล้วถ้าปรารถนาก็อาจมีอายุยืนอยู่ได้ถึงกับหรือเกินกับแต่พระอานุ์นึกไม่ถึงจึงไม่ได้กราบทูลอาราธนา เมื่อพระอานน์ออกไปจากที่เฝ้ามานจึงมาอารัธนาให้นิพพานพระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขานะรณปาวาลเจดีนั้นปลงพระหรุทัยว่าต่อไปนี้อีกสามเดือนจะเสด็จปรินิพพานก็เกิดแผ่นดินไหวมหาสจั์เป็นต้นพระอานน์กราบทูลถามจึงตรัสตอบถึงเหตุแห่งแผ่นดินไหว แล้วส่งแสดงบริษัท8ดมีขันติยะบริษัทเป็นต้นและการที่พระองค์เคยเสด็จเข้าไปสู่บริษัทเหล่านั้นทําพระองค์ให้เข้ากันได้กับบริษัทเหล่านั้นและทรงแสดงอภิภายตนะคืออารมณ์อันครอบงำธรรมะที่เป็นค่าศึกหรือธรรมะไปลายต่ำแปดประการวิโมก ค, คือธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นจากธรรมะที่เป็นค่าศึกอีกแปดประการ แล้วตรัสเล่าเรื่องที่ทรงปรงอายุสังขารพระอานน์จึงกราบทูลอาราธนาให้ทรงพระชนชีพอยู่อีกตรัสว่าไม่ใช่การที่จะขอร้องเสแล้วเพราะได้ทรงแสดงนิมิตหรือเครื่องหมายแสดงโอภาษคือแสงสว่างซึ่งหมายถึงการบอกใบอย่างชัดเจนแล้วหลายครั้งคือที่กรุงราชครื้อสิบแห่ง ที่กรุงเวสาลีหกแห่งแต่พระอานนต์ก็ไม่ได้อารัธนาบัตรนี้พระองค์ทรงปรงอายุสังขารเสียแล้วจึงไม่ใช่ฐานะที่จะทรงคืนความตั้งพระหาฤทัยสำหรับข้อความในส่วนที่ถ้ามีใครอารัธนาให้พระองค์ทรงอยู่ต่อก็จะอยู่ได้ถึงกับหรือเกินกับในข้อนี้อธถกถาแก้ว่า อยู่ได้อีกร้อยปีหรือยิ่งกว่าคำว่ากับปกติจะแปลว่ายาวนานมากนะครับแต่ในที่นี้หมายถึงอายุขัสูงสุดโดยเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนั้ น, น, นส่วนคาว่ามานที่มาอาราธนาให้นิพพานนั้นอาจหมายได้หลายอย่างทั้งเทวปุตตมานและมัจจุมานสุดแต่จะอธิบายให้เหมาะสมเป็นปุคลาทิฏฐาน คือแสดงบุคคลเป็นที่ตั้งหรือธรรมาทิฐานแสดงธรรมะเป็นที่ตั้งสเสด็จป่ามหาวันประชุมภิกษุสงฆ์ต่อจากนั้นสเสด็จสู่เรือนยอดณป่ามหาวันส่งเรียกประชุมภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในกรุงเวสาลีทั้งหมดณนะที่นั้นแล้วส่งแสดงสติปัฏฐาน การตั้งสติสี่อย่างสมมาประธานความเพียรชอบสี่อย่างอิทธิบาทธรรมะอันให้บรรลุความสําเร็จสี่อย่างอินรียธรรมะอันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนห้าอย่างพละธรรมะอันเป็นกําลังหอย่างโพชงธรรมะอันเป็นองค์ประกอบให้ได้ตรัสรู้เจอย่างและมรรคข้อปฏิบัติหรือทางดําเนิน8อย่าง รวมทั้งหมด38ประการว่าเป็นอภิยาเทสิตรธรรมคือธรรมะที่ทรงแสดงด้วยความรู้ยิ่งแล้วตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอีกสามเดือนต่อแต่นี้พระองค์จะปรินิพพานสเสด็จพันดาคามและที่อื่นๆ แล้วเสด็จจากกรุงเวสาลีสู่พันฑคามส่งแสดงอริยธรรมคือธรรมะอันประเสริฐสี่ประการคือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตต์หรือความหลุดพ้นและส่งแสดงเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยมากต่อจากนั้นเสด็จสู่หัตถิคามอาามัมพคามจำพุคามและโพคานาครโดยลาดับ นภคานครทรงแสดงมหาประเทศคือหลักอ้างอิงสำหรับสอบสวนข้อกล่าวอ้างของผู้อื่นที่ว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมสี่ประการโดยให้สอบกับพระสูตรเทียบกับพระวินัยก่อนสเสด็จกรุงปาวาฉันอาหารของนายจุนทะ ครั้นแล้วเสด็จสู่กรุงปาวาในายจุนทะบุตรช่างทองนิมนต์ฉันก็เสด็จไปฉันพร้อมด้วยภิกษุทั้งหลายตรัสเรียกให้นำสุกรมัทวะซึ่งมีผู้แปลว่าเป็นมังสาหรือเนื้อสุกรอ่อนบ้างเป็นเห็ดชนิดหนึ่งบ้างตรัสเรียกให้นำสุกรมัทวะมาที่พระองค์ให้ถวายอาหารอื่นแด่พระสงฆ์ เมื่อฉันแล้วตรัสสั่งให้นำสุกรมัทวะนั้นไปฝังซะต่อมาทรงประชวนลงพระโลหิตมีเวทนากล้าแต่ก็ทรงมีสติสัมปะชัญญะอดกลั้นอาพาธนั้นไม่ทรงเดือดร้อนระหว่างที่เสด็จสู่กรุงกุสินาราทรงเดินทางต่อไปยังกรุงกุสินาราทรงแวะจาดทาง ให้พระอานุ์ปูผ้าสังฆาติสี่ชั้นถวายแล้วตรัสสั่งพระอานุ์ให้ไปตักน้ำมาครั้งแรกน้ำขุนเพราะเกวียนประมาณห้าร้อยผ่านไปพระอานุ์จึงไม่ตักกราบทูลเชิญให้เสด็จต่อไปยังกกุทานทีแต่ตรัสซ้ำให้ไปตักน้ำมาคราวนี้กลับได้น้ำใสหน้าที่นั้นปกกุสะมัลระบุตร เดินทางจะไปกรุงปาวาเข้าไปเฝ้าสนทนาด้วยพระองค์ก็รับสั่งโต้ตอบด้วยเมื่อจะจากไปได้ถวายผ้าเนื้อเลี้ยงสีทองคู่หนึ่งแด่พระผู้มีพระภาคตรัสแนะให้ถวายพระองค์ผืนหนึ่งถวายพระอานนท์ผืนหนึ่งเมื่อปุกกุสะไปแล้วพระอานนท์ก็นำผ้าผืนที่ได้รับไปถวายพระผู้มีพระภาคและกราบทูลว่า พระชวีวันผ่องใส ย, ยิ่งนักตรัสตอบว่าพระชวีวันของพระองค์ย่อมผ่องใสเป็นพิเศษสองคราวคือในคืนที่จะตรัสรู้กับในคืนที่จะปรินิพานต่อจากนั้นสเสด็จข้าแม่น้ำกักกุฏาตรัสสั่งพระอานนท์ให้บอกแกนายจุนทะอย่าให้เดือดร้อนว่าพระองค์ฉันอาหารของเขาแล้วปรินิพาน ให้ชี้แจงว่าบินธบาตที่ถวายก่อนตรัสรู้และก่อนปรินิพานนั้นมีผลมากมีอานิสงมากครั้นแล้วเสด็จเรียบฝั่งนอกของแม่น้ำฮิรัญยวดีสู่ป่าไม้สาระของมรรกษัตย์ใกล้กรุงกุสินาราให้ตั้งเตียงผินพระเสียรไปทางทิศอุดรทรงบรรทมมีสติสัมปชัญญะ ตรัสปรารภการบูชาด้วยการประพฤติ ธ, ธรรมว่ายอดเยี่ยมสถานที่ควรสังเวชสีแห่งทรงแสดงสังเวชนียสถานคือสถานที่ควรสังเวชสีคือที่ที่พระตถาคตประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมจักและปริณิพานว่าเมื่อภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจาริกไป มีจิตเลื่อมใสและตายลงก็จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์วิธีปฏิบัติในสตรีและพระพุทธสตรีระทรงแสดงวิธีปฏิบัติในสตรีหรือมาตุคามตามที่พระอนุนกราบทูลถามว่าไม่ควรมองถ้าจำเป็นจะมองก็ไม่ควรพูดด้วยถ้าจำเป็นจะพูดด้วย ก็ให้ตั้งสติแล้วทรงแสดงวิธีปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระเช่นเดียวกับสรีระของพระเจ้าจักรพัทในเมื่อพระอานุ์กราบทูลถามโดยทรงแสดงว่าให้ห่อด้วยผ้าใหม่แล้วห่อด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่แล้วห่อด้วยสำลีรวมห้าร้อยชั้นแล้วใส่ในรางเหล็กเต็มด้วยน้ํามันปิดด้วยรางเหล็ก ทำจิตกาทานในที่นี้คือเชิงตะกรสำหรับเจ้านายหรือราชาทำจิตกาทานด้วยของหอมแล้วทำการเผาสร้างสถูปไว้ในทางสีแป้งผู้ควรแก่สถูปทรงสแสดงถึงบุคคลผู้เป็นถูปรารหะสีคือผู้ควรแก่สถูป ได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิตรัสสรรเสริญพระอานนนพระอานนนเข้าไปสู่วิหารเหนี่ยวสลักเพชรคือหัวลิมประตูทำรูปเป็นศรีรษะวานนยืนร้องไห้ด้วยคิดว่าท่านยังเป็นเสขะผู้ยังต้องศึกษา คือเป็นเพียงพระโสดาบันยังไม่บรรลุอรหัตผลแต่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงอนุเคราะห์ท่านจากปรินิพานเสียแล้วพระผู้มีพระภาคทรงทราบตรัสเรียกให้เข้าเฝ้าแล้วตรัสปลอบใจว่าเป็นธรรมดาที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจจะปรารถนาให้สิ่งที่มีความสุดโสมเป็นธรรมดาไม่ให้สุดโสมยอมเป็นไปไม่ได้ แล้วตรัสสรรเสริญพระอาหนบนว่าตั้งเมตตาทางกายวาจาใจในพระองค์มาตลอดกาลนานได้ชื่อว่าทำบุญไว้แล้วจงเริ่มตั้งความเพียรเถิดจะเป็นผู้สิ้นอาสวะโดยพลันครั้นแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสสรรเสริญพระอานนบนว่าภิกษุผู้อุ ป, ปถากหรือรับใช้พระพุทธเจ้า ทั้งในอดีตและในอนาคตก็อย่างยิ่งเพียงเท่าพระอานนท์ทรงสรรเสริญว่าพระอานนท์เป็นบัณฑิตรู้การที่ควรจะจัดให้ใครเข้าเฝ้าและเป็นที่พอใจใกล้สะดับธรรมของบริษัทสี่ตรัสเรื่องกรุงกุสินาราพระอานนท์กราบทูลว่า อย่าปรินิพานในกรุงกุศินารานี้ซึ่งเป็นเมืองเล็กเมืองดอยเป็นกิ่งเมืองขอให้เสด็จไปปรินิพานในเมืองใหญ่ๆเช่นจำปาราชครสาวัตถีโกสัมพีพารณสีแต่ตรัสตอบว่ากรุงกุศินาราเคยเป็นราชธานีนามว่ากุศาวตีซึ่งพระเจ้ามหาสุทสัศนะจักรพรรดิทรงปกครอง เคยจเจริญรุ่งเรืองยิ่งมาแล้วครั้นแล้วตรัสสั่งให้พระอานตน์ไปแจ้งข่าวที่จะปรินิพานแกม่มลรักษัตัิย์ซึ่งพากันเศร้าโศกและมาเฝ้าในราตรีนั้นพระอา น, นุ์ก็จัดให้เข้าถวายบังคมเป็นครอบครัวไปเสร็จสิ้นภายในยามแรกแห่งราตรีโปรดสุภัต t ะปริภาชก ครั้งนั้นปริพาชก ค, คือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาคนหนึ่งชื่อสุพัท ธ, ธะมาเฝ้าพระอานุนจะไม่ให้เข้าเฝ้าแต่พระผู้มีพระภาคทรงทราบจึงทรงอนุ ญ, ญาตให้เข้าเฝ้าได้เมื่อกราบทูลถามทรงโตตอบแสดงธรรมให้ฟังก็ขอบวชและเพียรพยายามจนได้บรรลุอรหัตผลในไม่ช้า นับเป็นพระสาวกองสุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธเจ้าพระดำรัสตรัสสัง่งรั้นแล้วตรัสสั่งความแก่พระอานนท์ดังต่อไปนี้หนึ่งธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วจะเป็นพระาศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไป 2. เมื่อเราล่วงลับไปแล้วภิกษุทั้งหลายไม่พึงเรียกกันด้วยคำว่าอาวุโสเช่นที่เรียกกันอยู่ในบัดนี้พึงเรียกภิกษุอ่อนกว่าโดยชื่อโดยโคดหรือด้วยคำว่าอาวุโสซึ่งแปลว่าผู้มีอายุพึงเรียกภิกษุผู้แกกว่าว่าพันเตซึ่งแปลว่าท่านผู้เจริญหรืออายสมา คือท่านผู้มีอายุ 3. เมื่อเราล่วงลับไปแล้วเมื่อสงประธนาก็จะถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียได้ 4. เมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงพึงลงพรงมทันแกพระช น, นะคือปล่อยให้ทำอะไรตามชอบใจไม่พึงว่ากล่าวตักเตือน ทรงเปิดโอกาสให้สักถามตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วทรงเปิดโอกาสว่าถ้าภิกษุแม้รูปหนึ่งมีความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือในข้อปฏิบัติก็ให้ถามได้อย่าเดือดร้อนใจว่าศาสดาอยู่ต่อหน้าแต่ไม่ได้ถามในที่ต่อหน้าแต่ก็ไม่มีผู้ใดถาม พระอานน์จึงกราบทูลแสดงความอัศจรรย์ตรัสตอบว่าเพราะภิกษุที่ประชุมกันอยู่ห้าร้อยนี้อย่างต่ำก็เป็นพระโสดาบันปัดชิมโอวาดครั้นแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราเตือนท่าน สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นปัจฉิมวาจาของพระตถาคตลีลาในการปรินิพานครั้นแล้วส่งเข้าชานที่หนึ่งออกจากชานที่หนึ่งเข้าสู่ชานที่สองเป็นลำดับไปจนครบรูปฌานสี่ อรูปฌานสี่และสัญญาเวทะยตะนิโรธซึ่งรวมทั้งหมดเก้าข้อเรียกอนุปุภวิหารคือธรรมะเป็นเครื่องอยู่แห่งจิตใจโดยลำดับคล้ายวิหาร9ก้าชั้นแต่ละชั้นมีอารมณ์แห่งจิตต่างกันไปต่อจากนั้นทรงออกจากสัญญาเวทะยตะนิโรธย้อนกลับเข้าสู่อรูปฌานที่สี่ ซึ่งคล้ายกับออกจากตึกชั้นที่เก้าย้อนลงมาสู่ชั้นที่แปดโดยในนี้ทรงย้อนกลับไปถึงชานที่หนึ่งออกจากชานที่หนึ่งเข้าสู่ชานที่สองเรื่อยไปจนถึงชานที่สี่เมื่อออกจากชานที่สี่แล้วก็ปรินิพานเป็นการไม่ติดในรูปฌานหรือในอรูปฌานเพราะนิพานในระหว่างแห่งรูปฌานและอรูปฌาน เมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วก็เกิดแผ่นดินไว้และมีหลายท่านกล่าวภาษิตในทางธรรมเหตุการณ์นี้ยังคงความโศกสลดให้เกิดแก่ภิกษุผู้ยังไม่ปราศจากราคะและยังทรมะสังเวชให้เกิดแก่ภิกษุผู้ปราศจากราคะแล้วการถวายพระเพลิงบรรละกษศัตร์ ก็จัดการถวายพระเพลิงพระศพพระผู้มีพระภาคภายหลังที่ตั้งพระศพจัดเครื่องสักการะบูชาครบเจ็ดวันและภายหลังที่พระมหากัสปะเทระพร้อมด้วยภิกษุบริษัทมาถวายบังคมพระศพเสร็จแล้วอันหนึ่งในบริษัทของพระมหากัสปะนั้นขณะที่ภิกษุทั้งหลายกำลังร้องไห้คร่ำครวญในข่าบริณิพานของพระผู้มีพระภาคก็มีภิกษุรูปหนึ่ง ผู้บวชเมื่อแก่ชื่อสุพัทธะกล่าวห้ามภิกษุเหล่านั้นไม่ให้เศร้าโศกควรจะดีใจว่าต่อไปจะไม่มีใครมาห้ามทำอย่างนั้นอย่างนี้ปรารถนาจะทำอะไรก็ทำได้ตามพอใจซึ่งพระมหากัสสปะได้ปรารบเหตุนี้เป็นเหตุเสนอให้สงฆ์ทำสังคยนาเมื่อถวายพระเพลิงแล้ว ก็มีกษัตริย์และพราหมณ์จากแคว้นต่างๆมาขอพระสารีริกธาตุหรือพระอัฐิครั้งแรกมันละกษัตริย์จะไม่ให้แต่โทนพราหมณ์พูดเกลี้ยกล่อมให้เห็นแก่ความสงบจึงได้ตกลงแบ่งให้ไปต่างก็นำไปทำสถูปบรรจุและทำการฉลองในนครของตน